ก็ความในมหาปรินิพานสูตรข้อ117หน้า296นะซึ่งเป็นระหว่างทางพุท ธ, ธดำเนินของพระพุทธเจ้าเพื่อไปปรินิพานนนะครั้งนั้นพระผู้มีรพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโพคานครตามพระตามความพอพระทัยแล้วคือตามคำว่าตามพอพระทัยหมาย ว, ามว่าสัพภาษาทั้งหลายเนี่ยนะคู่ควรกับการตรัสรู้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 ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณอัภวันของนายจุนทะกรัรมมารบุตรในเมืองตาวานั้นท่านนายจุนทะกรัรมมารบุตรนั้นเป็นบุตรของนายช่างทองผู้มั่งคั่งแล้วก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันมานานแล้วนายจุนทะกรัรมมารบุตรคือนายจุนทะลูกของนายช่างทองหรือว่าเป็นพ่อค้าทองเนี่ยนะได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า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 วันนิ่งไี่ต้องดูว่านิ่งปฏิเสธหรือนิ่งรับนิ่งสนใจหรือนิ่งไม่สนใจนิ่งเพื่อที่จ ะ, ะมีผลอย่างไรก็สังเกตอาการนิ่งถ้านิ่งแล้วสับประกบ้างนี่ก็อย่าไปเชื่อมากนักอาจจะคิดคนละเรื่องอยู่ก็ได้ยังไงลำดับนั้นนายจุนทกกรมมารบุตรทราบการรับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็คือเขาเข้าใจเลยว่านิ่งของพระพุทธเจ้าแปลว่าพระองค์รับกิจนิมนต์ก็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 พระนั้นต้องรับกิจนิมนต์เนี่ยนะกลายเป็นกิจของท่านไปเพราะนั้นไม่มีหรอกกิจมันมีแค่กิจในการเจริญศีรขะสามเท่านั้นแหละหรือธุระก็มีสองคันธุระกับวิปัสนาธุระส่วนเรื่องปัจจัยสี่เป็นการดํารงชีวิตส่วนในการอาการที่ท่านปฏิบัติในคันธุระเคลววิปัสนาธุร ะ, ววระอันนั้นแหละเคลวว่าท่านบําเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราถ้าสมมติว่าถ้าท่าน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 หลังจากที่นายจุนทกกรรมมาระบุตเนี่ยลุกไปแล้วก็สั่งให้ใหตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตและสุครมัถวะเป็นอันมากในนิเวศของตนเพราะว่าแสดงว่าทำอาหารอยู่ดึกดืนเลยนะบางทีเนี่ยผู้ที่จะทําอาหารเลี้ยงพระเนี่ยบางทีทําจนดึกจนดื่นเพระพระหลายพันรูปเนี่ยนะโดยเฉพาะก่อนปรินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนเนี่ย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 แต่ทานบางทานเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าได้ทานอาจจะเสียศีลเป็นต้นอันนี้เราต้องระวังเพราะว่าการทําบุญเจริญกุศลที่ดีและถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อหมายถว่าทานนี่เป็นเบื้องต้นเชื่อมไปหาศีลภาวนาโดยเฉพาะภาวนาการประพฤติปฏิบัติเจริญกุศลธรรมเพื่อแทนตลอดโลกุตรธรรมเขามองล่างเพื่อหมายถว่ามองขั้นต้นเพื่อขั้นกลางและขั้นปลายท่านคนที่ให้ทานนี่จะต้องเล็งถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า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 สมมติถ้าเข็มทิศเนี่ยถ้าชี้ยิ่งไกลเท่าไหร่ถ้าสัมเท่าไหร่นะยิ่งขาดความชัดเจนเท่านั้นมันอาจจะผิดไปสักห้าร้อยกิโลก็ได้เนี่ยนะสมมติวัดเรลียวท่าอย่างสมมติว่าภาษาช่างเนี่ยถ้าเขาตั้ ง, งเสาเนี่ยที่โคนมันเอียงแค่หนึ่งเซนถ้าตึกสูงสูงเนี่ยอาจจะห่างกันเป็นคืบก็ได้เป็นศอกก็ได้เนี่ยนะปลายอมันจะแหมมันจ ะ, นจะอ้าไปเป็นศอกเลยก็ได้เพราะถ้าโคนมันเอียงนิดเดียวเนี่ย เพราะถ้าโคนเอียงปั๊บปลายมันจะเอียงไปด้วยฉันใดการเจริญกุศลธรรมของเราทั้งหลายก็เหมือนกันนั้นต้องพยายามตั้งเป้าให้มันชัดเจนตั้งอย่าเอียงมากให้เอียงเมื่อไหร่แล้วเดือดร้อนนะถ้าหากว่าแต่คําว่าเอียงนี่ไม่ได้แปลว่าพลิกแพลงไม่เป็นนะไม่ได้หมายคำว่าอย่างนั้นหมายคำว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ผิดพลาดอันนะเราก็จะกลายอาจจะเป็นว่าบุญให้ผลกลายเป็นว่าพ่อค้าสัตว์นักค้าสัตว์รายใหญ่ก็ได้นักเอ่อ คือสา ม, มารถที่ผลบุญมันเป็นใกล้ต่ออกุศลได้มันเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าทําบุญแล้วต้องระยะยาวต้องไม่ใกล้กับบาปและอกุศลเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยผลบุญมันให้ผลเราก็จะไปใกล้กับบาปและอกุศลกลายเป็นว่าหมกมุ่นกับอกุศลบุญที่ทําไปแล้วนี่ก็เรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะให้ผลเพราะไปประโยคน์วิบัติเนี่ยนะบุญบางอย่างถ้ามันให้ผลแล้วเป็นเหตุใกล้ให้ประโยควิบัติพฤติกรรมที่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 คำสอนเมื่อเขาไม่เข้าใจผิดในคำสอนเขาจะไม่เออทําเรื่องนี้มันไปเสียเวลาเรื่องนั้นทําเรื่องนั้นมันไปทําไปเสียเวลาเรื่องน้นไม่นี่จะไม่เป็นเลยเขาจะได้แคระวัดบัณฑิตทั้งหลายจะได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นไปพร้อมๆกันในการกระทำหนึ่งครั้งเพราะว่าบุคคลเหล่านี้กล้วแต่เป็นคนฉลาดที่ผ่านการคํานวณมาแล้วทีนี้ถามว่าถ้าไม่ฉลาดไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องห่วงหรอกถ้าอยู่ใกล้บัณฑิตและบัณฑิตเขาแนะให้ อย่โดยเฉพาะอยู่ใกล้กับพระพุท ธ, ธเจ้าทั้งหลายเป็นต้นอย่านันอยู่ใกล้กับท้ า, าสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญาเขาก็จะชี้แนะให้ปัญหาว่าเราฟังเขาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นน่ะถ้าเราฟังเขาอยู่เนี่ยเขาจะคอยบอกเราตลอดผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นจะไม่มีทําลายประโยชน์ของคนอื่นบัณฑิตที่แท้จริงนั้นก็จะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้คนอื่นเหล่านั้นได้อย่างไรคนคนที่เขาไปเกี่ยวข้องได้กําลังได้รับประโยชน์เล็กน้อยเขาจะไปเพิ่มประโยชน์ให้มันมากขึ้นได้อย่างไร ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำยังไงให้มันมีประโยชน์รัลักษณะวิสัยของบัณฑิตทั้งหลายเขาจะเข้าไปแก้ไขเนี่ยนะเข้าไปเรียกว่าเป็นคนที่หยิบยื่นประโยชน์เหล่านั้นไปให้หมดฟันอะไรที่เป็นไปเพื่อความเสียหายเขาจะป้องกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาจะส่งเสริมเนี่ยนะและถ้าตรงไหนมันมีผิดมีพลาดเขาจะแก้ให้เพราะันบัณฑิตทั้งหลายนั้นเขาบอกว่าเมือก็อบอุ่นเพราะอะไรเพราะว่าจะคอยป้องกันในยามใดที่ควรจะมีภัย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 บุคคลที่เจริญกุศลโดยเฉพาะมุ่งหน้าไปหาพระรัตนะตรายนั้นหวังได้แต่ความเจริญโดยส่วนเดียวและก็จะไม่เป็นการเสียเวลาในการเจริญกุศลธรรมก็ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมไม่อย่า ง, ง น, รรนั้นทำอันนี้เร่งรีบไปทำอันโน้นทำอันโน้นก็ยังไม่เสร็จก็เร่งแล้วชีวิตก็กลายเป็นรีบรีบเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จสักซินสักอันหนึ่งเนี่ยนะนั้นการศึกษาคำสอนเนี่ยต้องพยายามกำหนดให้ดีนลังที่กล่าวไปบ้างเมื่อเช้าเนี่ยว่า เป้าหมายต้องต้องชัดเจนเนะี่ยแหละไม่งั้นเดี๋ยวเออให้ทานเสียเวลารักษาศีลให้อ่ารัมวัวแต่รักษาศีลเสียเวลาฟังธรรมมัวฟังธรรมอีะโอ้ยไม่ได้ให้ทานอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเออมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนอทําทําซ้ายลืมขวาทําหน้าลืมหลังอ่ะนะก็อยู่อย่างนั้นแหละ